พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สาสาพุทธจาริยาหัวข้อที่สามเนคข ม, มะบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีรวมทั้งหมดส5้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นเนคข ม, มะบารมียุทธัญชยะจาริยาประวัติรั้งเป็นราชบุตร ชื่อยุทธันชัยในสมัยที่เราเป็นราชบุตรชื่อยุทธันชัยได้กราบทูลลามารดาบิดาออกบวชแม้ท่านจะห้ามและร่ำครวญก็ออกบวชจนได้เราไม่ได้เกลียดมมรดาบิดาไม่ได้เกลียดยศใหญ่แต่เราสละราชสมบัติเพราะรักโพธิยานเรื่องที่สอง เป็นเนคข ม, มะบารมีโสมนัสสจริยาประวัติครั้งเป็นโสมนัสราชกุมารในสมัยที่เราเป็นราชกุมาร น, นามว่าทรงมนัสในกรุงอินทปัตมีศีลมีคุณธรรมมีดาบทผู้ปราศจากคุณธรรมอยู่ผู้หนึ่งซึ่งพระราชบิดาทรงนับถือครั้งหนึ่งมีกิจที่ต้องเสด็จปราบชนบทชายแดน พระราชบิดาจึงตรัสสั่งให้เราดูแลดาบทจัดถวายสิ่งซึ่งประสงค์เพราะทรงเชื่อว่าดาบทเป็นผู้อำนวยสิ่งทั้งปวงได้เราได้ไปหาดาบทได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่สมแก่ความเป็นสมณนะจึงใช้ถ้อยคำเรียกดาบทว่าคฤรหบดีเจ้าเรือนคือผู้ครองเรือนเมื่อพระราชบิดาเสด็จกลับ ดาบทก็ฟ้องใส่ความหาว่าเราทำร้ายโดยดาบทแกล้งทุบหม้อน้ำหรือยามุงหลังคาเตรียมไว้ล่วงหน้าพระราชบิดาทรงพระพิโรธสั่งให้ราชบุรุษจับเราเพื่อจะประหารชีวิตแต่เราทำให้เข้าใจถูกต้องได้โดยอ้างพยานพิสูจน์ว่าดาบทนั้นเก็บใบไม้ผลไม้ใช้คนไปขายและค้นได้ห่อเงิน ที่ขายใบไม้ได้มากมายในบรรณาศาลาต่อพระพักพระราชาทั้งคนที่รับไปขายหลายคนก็ยืนยันเป็นหลักฐานพระราชาก็ทรงขออภัยเราและพระราชทานราชสมบัติแต่เราออกบวชไม่ใช่เกลียดราชสมบัติไม่ใช่เกลียดการบริโภคกรมที่สละราชสมบัติก็เพราะรักพระโพธิ่ยานสุดท้าย ดาบทกงถูกประชาชนรุมทำร้ายถึงตายเรื่องที่สามเป็นเนคขมะบารมีอโยคระจาริยาประวัติครั้งเป็นอโยคราราชกุมารในสมัยที่เราเป็นราชกุมาร น, นามว่าอโยคระเป็นโอรสของพระเจ้ากาสี จเจริญขึ้นในเรือนเหล็กคำว่าอ ok ายุขระแปลว่าเรือนเหล็กมีการสร้างเรือนเหล็กเพื่อเอาเคล็ดป้องกันนางยักษินีโดยเชื่อว่าพระราชบุตรสองพระองค์สิ้นพระชนแต่เล็กเพราะถูกยักษินีกินในสมัยที่เราเป็นราชกุมาร น, นามว่าอายุขระเห็นโทษทุกข์จึงไม่ต้องการราชสมบัติ สแสวงหาความดับเย็นในขณะที่มหาชนร้องไห้อยู่เราได้ตัดเครื่องผูกเข้าสู่ป่าเหมือนพญาช้างไม่ใช่เกลียดพระราชมารดาพระราชบิดาไม่ใช่เกลียดยศใหญ่ที่สละราชสมบัติก็เพราะรักพระโพทิยานเรื่องที่สี่เป็นเนคขมะบารมี พิงคสจาริยาประวัติครั้งเป็นดาวดบทินเง้าบัวเราและพี่น้องชายหญิงรวมเจ็ดคนเกิดในสกุลโสตทิยะซึ่งเป็นสกุลพราหมณ์ในพระนครหลวงแห่งแคว้นกาสีเราผู้เป็นพี่ประกอบด้วยความละอายใจในการทำความชั่วและธรรมะอันขาวคือกุศ ล, ลธรรมเห็นภายในพบ จึงยินดีในการออกบวชมีสหายร่วมใจหลายคนซึ่งท่านมารดาบิดาทรงมาเรลียกล่อมให้พอใจในกามแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดทุกคนคือมารดาบิดาและพี่น้องทั้งเจ็ดก็สละทรัพย์จำนวนมากเข้าสู่ป่าใหญ่ถือเพศเป็นนักบวชเนคขมะบารมีเรื่องที่ห้า โส น, นันทะบันฑิตจริยาประวัติครั้งเป็นโสนบันดิตคู่กับนันทะบันดิตในสมัยที่เราเกิดในสกุลมหาสารมังคั่งในนครชื่อพรมวัฒนะเราเห็นโลกเป็นของมืดมนเห็นบาปมีประการต่างๆจึงออกจากเรือนเข้าสู่ป่าแม้จะมีพวกญาติมาชวนให้อยู่บริโภค ก, กามแต่เราก็แจ้งความพอใจในการบวชให้ทราบ น้องชายของเราเป็นบัณดิตนามว่านันทะก็สั่งสอนเราให้พอใจการบวชพวกเราคือเราโสนะกับนันทะน้องชายพร้อมด้วยมารดาบิดาได้ทิ้งภพกรัพย์เข้าไปสู่ป่าใหญ่ในคขมะบารมีเรื่องที่หกมูฆะผักขาจริยาประวัติครั้งเป็นเตมิยะราชกุมารผู้เป็นใบ้และเป็นง่อย สำหรับเรื่องนี้ได้ยอ่อเวลาในชาดกเรื่องที่เจเป็นสัจจะบารมีเรื่องกบิละราชาจาริยาประวัติครั้งเป็นพยาลิงพยาลิงกระโดดเหยียบศีรษะของจอรเขข้ามฝั่งน้ําไปได้โดยไม่ยอมหลงกลให้เจรเขข่ากินเป็นอาหารไม่ยอมพูดบดพล่อยๆเหมือนจอรเข้ และลงสุดท้ายว่านี้เป็นสัจจะบารมีของเราเรื่องที่8ปดเป็นสัจจะบารมีเรื่องสัจจสวะหยะปันทิตจริยาประวัติครั้งเป็นดาบทชื่อสัจจะในสมัยที่เราเป็นดาบทชื่อว่าสัจจะได้คุ้มครองโลกด้วยสัจจะทำให้คนสามัคคีกัน เรื่องที่เก้าเป็นสัจจะบารมีเรื่องวัตตกะโบตกะจริยาประวัติครั้งเป็นลูกนกกระจาบในสมัยที่เราเป็นลูกนกกระจาบน้อยขนาดเท่าก้อนเนื้ อ, อยังไม่มีปีกงอกอยู่ในรังมารดาหาอาหารมาเลี้ยงด้วยจงอยปากเป็นอยู่ได้ด้วยผัดสะของมารดาไม่มีกำลังกายมีไฟป่าเกิดขึ้นในฤดูร้อน ลามใกล้เข้ามามารดาบิดาของเราตกใจกลัวไฟจึงทิ้งเราไว้ในรังเอาตัวรอดเราจึงทำสัจจกิริยาอ้างขุนของศีลระลึกถึงกำลังคือธรรมะและราชินะคือพระพุทธเจ้าในการก่อนไฟป่าก็หยุดเว้นเนื้อที่สิบหกกิสะเทียบหน่วยปัจจุบันหนึ่งก리สษะมากกว่าหนึ่งไรนี้เป็นสัจจะบารมีของเรา เรื่องที่สิบเป็นสัจจะบารมีเรื่องมัชราชาจริยาประวัติรั้งเป็นพยาปลาในสมัยที่เราเป็นพยาปลาในสะใหญ่ถึงฤดูร้อนน้ำในสะแห้งเพราะแสงแดดกาแรง้งนกกระสาและเหี่ยวก็พากันมาหากินปลาทั้งกลางวันกลางคืนเราคิดหาทางเปลื้องยาตทั้งหลายจากความทุกข์ จึงระลึกธรรมะของสัตบุร ธ, ธรทมสัจจกิริยาฝนห่าใหญ่ก็ตกลงมาเพราะ อ, อาศัยกำลังเดชแห่งสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเรื่องที่สิบเอ็เป็นสัจจะบารมีเรื่องกันหทีปายะนะจริยาประวัติรั้งเป็นกันหทีปายะนะฤษี ในสมัยที่เราเป็นกันหทีปายนาฤษีประพฤติรศอย่างไม่มีความยินดีเป็นเวลากว่าห้าสิบปีไม่มีใครรู้ในใจของเราและเราก็ไม่ได้บอกแก่ใครๆสหายของเรานามว่ามันทัพพยะเป็นมหาฤษีผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรันทร์ประกอบด้วยกรรมอันทำไว้ในการก่อนต้องถูกเสียบด้วยเหลาเราได้พยาบาลสหายนั้นจนหายแล้ว จึงลามาสู่อาสมของเราสหายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพราหมณ์ได้พาภริยาและบุตรรวมกันสามคนมาเยี่ยมเราเด็กน้อยโยนลูกลมอธกะถาชาดกว่าคือลูกคลีหนังเด็กน้อยโยนลูกลมทำให้งูโกรธเพราะลูกคลีหนังนั้นตกลงไปในโพรงที่งูอยู่เด็กตามไปเอามือล้วงในโพรง งูจึงกัดล้มลงบนพื้นดินเราได้ทำสัจจากิริยาว่าเราประพฤติพรมจรรย์ด้วยความเลื่อมใสเพียงเจ็ดวันเท่านั้นต่อจากนั้นอีกเจสิบปีเศษไม่ได้มีความพอใจหรือเต็มใจประพฤติเลยด้วยความสัตย์นี้ขอให้พิษจงหมดไปขอกูมานผู้มีนามว่ายันยน์จงฟื้นขึ้นพร้อมกับที่ได้ทาสัจจะ เด็กน้อยก็หายฟื้นลุกขึ้นได้สิ่งที่เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราหมายเหตุแม้ความสัตย์นั้นจะเป็นการนำเรื่องที่ไม่ใช่ดีเลิศอะไรมากล่าวถ้าเป็นการเปิดเผยความจริงก็ใช้ได้เรื่องที่สิบสองเป็นสัจจะบารมีเรื่อง สุตตะโสมจริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้าสุตตโสมในสมัยที่เราเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนามว่าสุตตโสมถูกมนุษย์กินคนจับได้ระลึกถึงการนัดหมายไว้กับพรามจึงขอตัวไปพบกับพรามฟังธรรมะจากพรามให้ทรับแล้วจึงเข้าไปหามนุษย์กินคนโดยไม่ลังเลใจว่า เขาจะฆ่าหรือไม่เรารักษาสัจวาจาอุทิศชีวิตนี่คือสัจจบารมีของเราสำหรับเรื่องนี้เมื่อเข้าไปหามนุษย์กินคนตามสัจวาจาได้พูดแนะนำจนมนุษย์กินคนยอมงดเว้นความประพฤตินั้นกลับตัวเป็นคนดีเพราะมนุษย์กินคนนั้นเดิมก็เป็นกษัตริย์มนุษย์ธรรมดาภายหลังมีความคิดเห็นวิปริตไป จึงกลายเป็นประหนึ่งโจรหรือปีศาจเรื่องที่สิบสามเป็นเมตตาบารมีเรื่องสุวรรณสามจริยาประวัติครั้งเป็นสุวรรณสามเรื่องสุวรรณสามได้กล่าวไว้แล้วในชาดกแต่ในคำกล่าวตอนนี้เล่าเพียงที่อยู่ในปา่าโดยไม่หวาดระแวงภัยใดๆเพราะกำลังแห่งเมตตา เรื่องที่สิบสี่เป็นเมตตาบารมีเรื่องเอกราชาจาริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้าเอกราชในสมัยที่เราเป็นพระเจ้าเอกราชได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างยอดเยี่ยมปกครองมหาปฏตพีอย่างกุศลกรรมบทสิบให้เป็นไปโดยไม่มีเหลือคือประพฤติครบทั้งสิบข้อทรงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหาวัตถุสี่ประการ พระเจ้าทัพพเสนะชิงบุรีได้สําเร็จจึงขุดหลุมฝังเราเราได้แผ่เมตตานี้เป็นเมตตาบารมีของเราสําหรับเรื่องนี้ด้วยอํานาจแห่งเมตตาพระเจ้าทัพพเสนะกลับล้มดิ้นไปดิ้นมาบนพื้นร้องว่าร้อนเหลือเกินต่อเมื่อขอขมาพระเจ้าเอกราชแล้วจึงหายเป็นปกติ เรื่องที่สิบห้าอุเบกขาบารมีเรื่องมหาโลมหังสจริยาประวัติครั้งเป็นนักบวชมีความเป็นอยู่อย่างน่ากลัวในสมัยที่เราเป็นนักบวชนอนหนุนซากศพในป่าช้าเป็นผู้มีใจสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงทั้งผู้นําทุกมาให้ทั้งผู้ให้สุขแก่เราไม่มีความรักหรือความโกรธ มีใจเป็นตาช่างคือเป็นผู้เสมอในสุขทุกในยศและมีชัยยศนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราหัวข้อสุดท้ายสมูทานกถากล่าวคำสรุปท้ายเล่มที่สาสบาบารมีสิบคือทานศีลใ น, นคัมมะหรือการออกบวช ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานหรือตั้งใจมั่นเมตตาและอุเบกขาบารมีที่สูงกว่าธรรมดาเรียกอุปบารมีที่สูงสุดหรือทำได้ยากที่สุดเรียกบรมัทธบารมีบารมีสิบอุปบารมีสิบบรมัทบารมีมีสิบเป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้ให้สุขคือให้สำเร็จ เมื่อเป็นพระเจ้าสิวิราชผู้ประเสริฐเป็นฐานบารมีเมื่อเป็นพระเวสสันดรเป็นเวลามะพรามและอากิตติฤษีเป็นฐานะอุปบารมีเมื่อเป็นไก่เป็นพญาช้างเป็นศีละวัณณะเป็นกระต่ายเป็นฐานบารมัทบารมีเมื่อเป็นพญาลิงเป็นพญาช้างชื่อฉัดทันและเป็นพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา เป็นศีลบารมีเมื่อเป็นพญานาคชื่อจำเปยยกักะและเป็นพญานาคชื่อภูริทัตต์เป็นศีลอุปะบารมีเมื่อเป็นพญานาคชื่อสังคปาละเป็นศีลอะปรมัตถ์บารมีเมื่อเป็นยุทธันชยราชบุตรเป็นมหาโควินทพรามเป็นคนเลี้ยงช้างเป็นราชกุูมารชื่ออโยคะ เป็นพระราชาพระนามว่าพันลาติเป็นสุวรรณสามเป็นพระราชาพระนามว่ามัคคะเทวะและเป็นราชกุมารชื่อนิมิหรือเนมิเป็นอุปปบารามีโดยในนี้ได้แสดงว่าเมื่อเสวยพระชาติเป็นอะไรเป็นศีลบารามีศีลอุปะบารามีศีลปรมั m a t t h a บารามีเป็นต้น จนถึงอุเบกขาบารมีจบรรพระไตรปิฎกเล่มที่สาสสาและจบราชสุดตันตปิฎกรวมย5สิบห้าเล่มเพียงนี้